นนะพวกเราคนที่ป่วยก็ป่วยไปผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่เจ็บไข้ก็เจ็บไข้ไปที่ผู้ะหนุสนานเพิดเพลนเฮฮาก่นเพิดเพลนเฮฮาไปโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้สรุปแล้วก็คืออยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยอวิชชาคือตัวไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ ริ น, นิพพานเข้าสู่ น, นิพพานไม่หลงออกจากความหลงได้แต่พระอนาคาออกจากราคะกับโทสะราคะเนี่ยตัดได้เด็ดขาดแล้วก็โทสะนี่หายขาดไม่โกรธไม่ขุนเคืองกับใครทั้งหมดมองดูโลกรู้เท่ารู้ทันกมองดูใจของท่านท่าน ตัดขาดออกจากราคะกะทรทสะเพราะฉะนั้นท่านไม่มาเกิดในโลกอีกเพราะตัดราคะได้แล้วตัวราคะเนี่ยเป็นตัวที่น่วงเหนี่ยววิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในวัฏฏะอยู่ในวัฏฏวนวัฏฏวนสามกาลมาโลกโลกโลกโรกโลกโลกนี่แหละอันนี้แปลว่าวิญญาณยัง ยังบกบลอยู่แต่พระอนาคามีตัดได้เด็ดขาดคือราคากะกัทโศยังเหลือแต่มโมหะคือความหลงเพราะนั้นท่านจึงขึ้นไปอยู่ในสุทธวะห้าชั้นท่านไปชำระความหลงอยู่ที่นั่นก่อนขึ้นไปพักดูพักสักฟอกพิจารณาอยู่ที่นั่นก่อนจน จิตของท่านรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกพระนาคามีแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วต้องได้กลับปกบุณเวียนลงมาอีกยังพระจักทาคามีลงมาชาติเดียวแล้วก็ภาวนาตัดกิเลสได้แต่ท่านลงมาเกิดมาเลือกเกิดได้ เพราะท่านเป็นผู้มีบุญเพราะมีแล้วท่านลงไปเกิดที่ท่านจะไปเกิดที่ไหนจุดไหนอย่างไรเลือกลงเกิดได้ท่านมองซะก่อนท่านจะลงมาเกิดพระโสดาบันหนึ่งชาติสมชาติเจชาติเอกพีชีโกลังโกละสะตุกขตะประมะอันนี้คือพระโสดาลงมาเกิดอย่างมากไม่เกินเจชาติแล้วก็เข้าสู่ปรินิพาน แต่ตามไม่จริงถ้าจะว่าแบบเศรษฐศาสตร์หรือแบบคำนวณนะพระธักมคาคามีจะดีกว่านะอย่างพระอนาคามีจะต้องขึ้นไปอยู่ชั้นพรมโอ้คงจะไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ถ้าบา ร, รมีของท่านแก่กล้าก็ยังว่านะว่าแอท่านก็คงเข้าสู่นิพพานได้ถ้าขึ้นไปอยู่ชั้นพรมก็คงจะอยู่นานเหมือนกันนะเพราะว่าพรมเนี่ยอายุยืนเหลือเกินฮะ แต่พระโสดาบันนี่ก็ลงมาอีกหนึ่งชาติสมชาติเจชาตินะก็เข้าสู่ปรินิพานสรุปแล้วก็คือพระอนาคามีตัดกิเลสราคากระกัโทษได้เด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะคืออวิชชายังติดอยู่ในใจของพระอนาคามส่วนพระสักขาคาและพระโสดา พระสกทาคาเนี่ยแปลว่ากิเลสทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะเบาบางไม่ถึงกับตัดขาดแต่เบาบางพระโสดาบันยังหนากว่าพระสกทาคาแต่ว่าอย่างศีลห้าของพระโสดาบันเนี่ยเป็นศีลห้าโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาศีลแต่เป็นศีลอัตโนมัติไม่สามารถที่จะฆ่าสัตว์เ อ, อ โดยเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ไม่ลงคิดแล้วฆ่าไม่ลงใจเขาใจเราตัวเขาตัวเราขาโมยเขาไม่ลงไม่ประพฤติผิดในกรารมโดยเด็ดขาดไม่มุสาโดยเด็ดขาดไม่ดื่มสุราโดยเด็ดขาดอันนี้คือศีลปสูดาบันที่ศีลบริสุทธิ์นอกจากนั้น อกจากพระโสดาบันลงมาแล้วไม่แน่นอนใช่ไหพร้อมที่จะไปได้ทุกหัวละแหง่งไปได้ทุกจุดของวัดตวันใบนี้เพราะนั้นเรียกว่าวิญญาณเดียวท่องเที่ยวในวัฏฏะวิญญาณดวงเดียวท่องเที่ยวในวัฏฏะคือวิญญาณของเรานะเราไปนับคนอื่นปิณด์วิญญาณของเราเนะี่ยใจของเราเนะี่ยท่องเที่ยวในวัฏฏะ ไม่มีที่สิ้นสุดยาวนานเท่าไรไม่มีใครที่จะกำหนดได้สรุปลงแล้วก็คือให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าความดีก็ดีความชั่วก็ดีอยู่กับตัวของเราทั้งหมดไม่อยู่ที่ไหนเราจะเอาอย่างไรเราจะเอาชนะใจตัวเองอย่างไรความดีกับความชั่วอยู่ที่ตัวของเรา เราจะทำดีแล้วเราจะทำชั่วอันนั้นนะอยู่ที่กับพวกเราทุกทุกท่านให้ดูตัวเองแล้วเราจะห้ามความชั่วของเราได้อย่างไรเราจะห้ามความชั่วของเราได้อย่างไรบางทีความชั่วห้ามยากเหลือเกินแต่จะทำความดีนันเราจะทำความดียังไงจะเข็นไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเหมือนกัน พอบอกความชั่วเนี่ยเราจะห้ามได้เพราะเรามีสติถ้าเรามีสติเราจะห้ามได้เพราะฉนั้นจึงให้ภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวเองให้เฝ้าตัวเองให้เฝ้าใจของตนเองถ้าคนมีสติแล้วนั่นแหะความชั่วทั้งหลายจะเข้ามาเราก็รู้อันนี้คือความชั่วคือความไม่ถูกต้อง เ, เราจะไม่ทําในจุดที่มันเป็นความชั่วนั้น สิ่งนี้ที่เป็นความดีเราก็พยายามทำความดีให้มากขึ้นเพราะนั้นคือคุณงามความดีนี่แหละสรุปแล้วก็คืออยู่กับตัวของเราทุกๆคนที่จะทำดีหรือจะทำชัว่วความดีกับความชัว่วไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราใจดวงนี้เราจะต้องวกวนเวียนในวัฏฏะเราจะทำอย่างไรทีจร่จะให้สั้นเข้ามาได้ไม่ให้มัน วกบุเวียนยาวนานจนเกินไปที่พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้พศพบแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทินชี้แนะชี้นำให้พวกเราใพนพจนพยายามพยายามดูตัวเองจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนดีกับชั่วอยู่ที่ตัวของเราเองเราไปที่ไหนตินฟ้าอากาศภูผาป่าไม้จะไม่ทำความดีความชั่วให้แกเรา ตัวของเราเองนะ่นเป็นที่เป็นผู้ทําความดีและความชั่วให้ตัวของเรานะเพราะฉะนั้นให้เฝ้าดูใจของเราไปอยู่ณสถานที่ใดให้เฝ้าดูใจของเราด้วยสตินะจะเห็นนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะไปอยู่ณสถานที่ใดทินใดที่ใ ด, ดนะก็ให้ดูตัวเองความดีความชั่วอยู่ที่ตัวของเรา หลับพร อ, อนุโมธนาให้พร